เสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสง์ที่สามคขีกันให้แตกแยกกันพระอุบาลีทูลถามว่าพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทำสง์ที่แตกกันให้พร้อมเพรียงกันจะประสบผลอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลี ภิกษุทมสง์ที่แตกกันให้พร้อมเพรียงกันย่อมประสบบุญอันประเสริฐบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับ